ขจรัญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านหัวข้อาการบรรยายในะวันนี้อาตมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่าชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นตุดไม้ของเรา เราทุกคนเนี่ยล้วนมีความมุ่งมากปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแต่ครนี้เนี่ยก่อนที่เราก่อนที่เราจะมาพูดกันว่าชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเนี่ยทำได้อย่างไรสิ่งที่เป็น ประเด็นพื้นฐานที่เราควรจะทำความเข้ า, ขาใจก็คือว่าชีวิตที่ดีนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรที่เรียกว่าชีวิตที่ดีในทางพุทธศาสนานเนี่ยท่านอธิบายประเด็นนี้เอาไว้เป็นสามระดับด้วยกันนะก็คือชีวิตที่ดี ขอหนึ่งนะ 2. ชีวิตที่ดีกว่าและ 3. ชีวิตที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยดีเนี่ยมันมี3อย่าง3ขัน้นดีดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะชีวิตที่ดีหรือขั้นแรกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรในทางพุทธศาสนาเนี่ย ชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่มีความาพั่งพร้อมในเรื่องของทรัพย์นะคือมีอาชีพการงานที่ดีเนะท่านั้นยังไม่พอต้องมีสุขภาพดีแล้วก็มีครอบครัวดีตลอดตนมีเพื่อนที่ดี มีอาชีพการงานที่ดีมีสุขภาพดีมีครอบครัวดีมีมิตรที่ดีตรงนี้เนี่ยทาพุทธศาสนาเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันนะภาษาบาลีว่าทิฏฐธรรมิกธรนะถ้าพูดแบบนง่ายๆคือประโยชน์ทางโลกหรือประโยชน์ที่เห็นต้องเห็นได้จับต้องได้ใครๆก็อยากจะมี อาชีพการงานที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะทุกคนรู้ว่าการมีสุขภาพที่ดีนั่นเนี่ยมันเป็นความสุขของชีวิตและใครๆก็อยากที่จะมีครอบครัวที่ดีนะตลอดจนการมีเพื่อนที่ดีและอัจจะรวมไถึงการมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าการ ได้รับความยอมรับนับหน้าถือตานะสีห่หประการที่อาจมากล่าวมานี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งปรารถนาของทุกคนถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปชีวิตก็อาจจะพร่องแล้วก็ชีวิตก็ จ, จะไม่ประสบความสุขประโยชน์ปัจจุบันที่อาจารได้กล่าวมานี้เนี่ย เราจะเรียกว่าเป็นความสุขขั้นต้นก็ได้ความสุขขั้นต้นของทุกคนต้องมี4 5ห้าอย่างนี้มาประกอบกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ ไปให้ความสําคัญกับบางแาง่บางปัจจัยเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไปให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเรื่องวัตถุนะอาจจะรวมไปถึงเรื่องของอาชีพการงานมากเกินไปเราให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเรื่องวัตถุเรื่องทรัพย์สมบัติจนกระรั่งบางทีเราลืม เรื่องของครอบครัวเราลืมเรื่องสุขภาพเราไม่มีเวลาให้กับเพื่อนไม่มีเวลาให้กับลูกๆนะและบางทีเราทํางานมากจนกระทา่งสุขภาพเราแย่มีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่พยายามที่จะตั้งหน้าตตาหาเงิน ตั้งเป้าว่าฉันจะทำงานหาเงินให้ได้ใน20ปีนี้เสร็จแล้วจะได้มีเงินมามากมายพอที่จะมาดูแลครอบครัวได้ก็ทำงานหามลุ่มหามค่าไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มให้กับครอบครัวก็ให้ภรรยาดูแลไปเสร็จแล้ววันดีคืนดียังไม่ทันถึง20ปีที่ตั้งเป้าว็เลยเกิดป่วยขึ้นมา เป็นมะเรงเพราะว่าเอาแต่ตั้งหน้าต่างตาทำงานหาเงินสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไอ้ที่จะตั้งใจจะทำงานให้ได้20ปีเพื่อที่จะได้มีเงินเป็นก้อนก็ทำไม่ได้และเวลาที่จะได้มาอยู่ครอบครัวก็ไม่มีโอกาสหลายคนบอกว่าท่านมีเวลาเหลืออยู่ อยากจะใช้เวลานั้นเนี่ยกับลูกแต่ไม่มีโอกาสแล้วนี่นี่คือนี่คือนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตที่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่าไปให้ความสำคัญกับบางเรื่องบาง บางสิ่งมากเกินไปซึ่งในยุคนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่อง 1. เงินสองชื่อเสียงกิจยศหรือว่าฐานะตำแหน่งงานการตรงนี้เนี่ยในทางพธ ศ, ศาสนาเนี่ยเราต้องไม่ลืมที่จะเตือนตนอยู่เสมอว่าชีวิตที่ดีนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย เงินไม่ใช่ความสุขมันเป็นเียงป็นเพียงแค่ปัจจัยแห่งความสุขและมีเงินอย่างเดียวก็ไม่พอจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบด้วยถ้าชีวิตของเราเนี่ยไปให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินเรื่องของวัตถุหรือ อาชีพการงานมากเกินไปนอกจากจะเกิดผลเสียตรงที่ว่าทําให้เราลืมปัใจจัยแห่งความสุขด้านอื่นๆแล้วเช่นลืมเรื่องครอบครัวลืมเรื่องวิถีภาพลืมเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไปผูกติดไว้กับวัตถุความสุขของเราเนี่ยไปแขวนไว้กับวัตถุและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่า ความไม่รู้จักพอเสียทีปัจจุบันเนี่ยไอ้ความไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นโรคร้ายที่เกาะกัดกินจิตใจของผู้คนแล้วก็แย่งชิงความสุขของผู้คนไปคนตัว น, น้อยเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่หาความสุขไม่ได้ส่วนก็เพราะสุขภาพไม่ดีครอบครัวแตกแยก ไม่มีเพื่อนที่แท้จริงเหงามีแต่คนประตบัดแจงแต่ไม่มีมิตรไม่มีเพื่อนอ น, นี่อันหนึ่งนะไอ้สองคือว่าไอ้ตัวทรัพสมบัติที่มีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักพอสักทีนะไม่รู้จึกไ ม, ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สึกเต็มอิ่มกับมันสักทีเพราะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ย ถ้าเราไม่รู้จักพอแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความกระหายอยากจะได้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและปะัญหางคนในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่อยากจะรวยอย่างเดียวแต่ยังอยากจะรวยมากกว่าคนอื่นด้วยตอนไม่เพียงแต่อยากจะได้ ได้มากเท่านั้นแต่เราอยากจะได้มากคนอื่นด้วยลองสังเกตดูนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยนะเกิดมีคนพูดจัดในรายการนี้เนี่ยนะมอบหนังสือให้แก่พวกเราคนลเล่มคนลเล่มเป็นหนังสือเล่มดีอย่างหนานะ แต่ถ้าเกิดเราพบว่ามีบางคนเขาไม่ใช่แค่ได้เล่ม เ, เดียวเขาได้สองเล่มนะเรารู้สึกยังไงับหรือว่ามีคนมาแจกโทรศัพทค <c oughs> คค์คนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่องให้แต่บางคนไม่ใช่แค่ได้โทรศัพท์ได้กล้องดิจิตอลด้วยรู้สึกยังไงตอนที่ได้นะได้ไดโ้โทรศัพท์มาหรือได้หนังสือมาเล่ม น, นึ่งเราจะดีใจนะ แต่พอรู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเนี่ยเรารู้สึกงไงนะ ไ, ไม่ยอมอยากได้มากนะเป็นทุกข์ขึ้นมาว่าทําไมพูดทำไมทำไมคนแจกเขาไม่ยืดนทำ<ม>ใช่ไหมทไมถึงต้องเป็นชั้น<ม>คือไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องได้ของแจกนะแค่ว่าเราไปซื้อของเนี่ยไปซื้อเราไปเที่ยวแล้วไปซื้อสุวินียามา ราคาพันหนึ่งเราซื้อได้ห้าร้อยเราดีใจใช่ไหมฮะกลับมาที่กลับมาที่ห้องพักเพื่อนเราเนี่ยเขาซื้อได้สามร้อยรู้สึกยังไงโอ <Are you? S 1> นะ้แย่เลยใช่ไหมะคือเราน่าจะมีความสุขหรือความดีใจที่ได้ของถูกหรือได้ของฟรีแต่เรากลับทุกขขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาซื้อได้ถูกกว่าเราหรือที่เขาได้มากกว่าเราอันนี้นี่คือธรรมชาติของใจของเราที่ไม่เพียงอยากจะได้มากเท่านั้นแต่ต้องการได้มากกว่าคนอื่นด้วยตรงนี้แหละฮะที่มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่รู้จักพอ และถ้าเราไปไปไปหลงวนอยู่กับเรื่องวัตถุมากๆเนี่ยให้ควา ม, มรู้จักพอเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆและเราจะไม่รู้รสึกไม่รู้สึกเลยว่าชีวิตนี่จะเต็มอิ่มทั้งๆที่บางทีเราได้โชคนะฮะแต่เราจะไม่มีความสุขกับโชคที่ได้เลยถ้าเรารู้ว่าคนอื่นเขาได้โชคมากกว่าเรา ชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งเนี่ยซื้อหวยสามเบอร์ได้เงินหกร้อยบาทถูกหวยทีแรกก็ดีใจแต่พอรวกเพื่อนอีกคนหนึง่งก็ได้สองพันโอ้แกซึมเลยนะซึมเลยแม่ฉันน่าจะแทงมากกว่า น, นี้นะ ตอนที่แทงเ บ, เบอร์เดียวกันแต่ว่าเขาแทงน้อยแต่เพื่อนแทงมากจะมีความทุกข์ว่าทําไมฉันทำไมฉันไม่น่าฉันน่าจะแทงมากกว่า น, นี้เนี่ยคือฉานที่มีความสุขกับการที่คนเรามีความถูกใช่ไหมทแทงหวยแล้วก็ได้ได้เงินมาห600้อยนะแต่ว่ากลายเป็นทุกข์เลยทุกกว่าตอนที่ไม่ได้ยังไม่ได้แทงด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะความไม่รู้จักพอนะมันไม่ใช่ง่ายนะไอ้ความไม่รู้จักพอเนี่ย ตรบใดที่เราเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเสมอเพราะนี่อาตมาถึงบอกอย่างนี้ว่าเวลานี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่อยากรวยแต่เราอยากจะรวยมากกว่าคนอื่นไอ้แค่ความอยากรวยอย่างเดียวนี่ก็ทุกข์แล้วนะยิ่งอยากรวยมากกว่าคนอื่นนี่ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แล้วนี่ ค, ค, คือสาเหตุที่ทําไมจะตุกความรำเทศมธถึงแพร่หลายเพราะว่าเราไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่กลัวจนนะ และเราไม่ได้แค่อยากรวยแต่เราอยากจะรวยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซื้อรุ่นอภิเศรษฐีมันไม่ดีเท่ากับรุ่นอภิมาหาเศษนะรษฐีเพราะมันอภิมาหามากกว่าอภิมาหาเศรษฐีก็สู้รุ่นอภิคนมาหาเศรษฐีไม่ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยที่ ท, ที่ที่ทำให้ทำให้ทําให้เอ่อคนเนี่ยเวลานี้เนี่ยแทนที่จะมีความสุขดีกลับทุกข์มากขึ้นและปะัญหาของกระแสจัตุคาะมรามาธิเนี่ยคือตรงนี้ ก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้คนเนี่ยเกิดความรู้จักพอแล้วคนจะมีความทุกข์ขึ้นเรื่อยๆนะเวลาที่รู้ว่าคนนี้ซื้อใบจองสี่ร้อยแต่ขายได้พันสองฉันซื้อสี่รอเหมือนกันทําไมฉันได้ขายได้แค่พันเดีใช่ไหมเพราซื้อสี่ร้ยได้พันเดียวก็ต้มีความสูงนะนะแต่กลับทุกข์เพราะว่าคนอื่นมันขายได้พันสองส่วนคนที่ขายได้พันสองก็มีความทุกข์เพราะ เพื่อนขายได้พันห้าเพราะฉะนั้ น, นถึงแม้ว่าจะได้รุ่นที่ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้หายหายทุกเลยเพราะว่าจะมีความรู้สึกเสมอว่าคนอื่นได้ดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นมาสิกที่ท้าทายพวกเราชาวพู้ธในปัจจุบันเพราะว่ากระแสของเงินที่มันไหลเข้ามาเงินที่มันเข้ามาได้ง่ายๆเนี่ยมันทําให้เรา เกิดความพอใจในชีวิตน้อยลงทุกทีอัตมาชอบใจคนหนึ่งนะฮะเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่หน้าวัดพระาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาชื่อเจมแมลเจมแมลเนี่ยเหมือนคนทั่วไปก็คือว่าแขวนแต่ดุขามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกของคนนั้นคือว่า ร้านกแนาแฟเจมเนี่ยไม่มีขายจาัตุคามเลยทั้งๆ ท, ที่ในนครเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหน้าพระธาตุเนี่ยเวณรอพระธาตุทุกร้านขายจาัตุคามไม่ว่าจะเป็นร้านตัดเสือ้อร้านทําผมนะร้านขายของชําแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์ก็ขายจาัตุคามเป็นตู้ตู้ ต, ตู้ตู้กระจกที่เลื่อนไะด้ไม่มีร้านไหนที่ไม่ขายจาัตุคามนะ เจ้แมก็บอกว่ามีคนมาเสนอให้เพียงแค่วางตู้ขายจะได้วันละสามพันวันละสามพันนะฟรีๆอะไรคือไม่ต้องทำอะไรแค่มาวางตู้เดือนก็ก้างอใช่ไเจ้แม่บอกไม่เอาเจ้แม่บอกว่ามันไม่ถูกไม่ถูกยังไงบอกว่าพ่อแม่อุทยายารสอนไว้ว่าอยากขายพ้าหากินมันไม่ถูก ปู่ยาตายาสอนว่าให้พึ่งน้ำพักน้ำแรงของตัวได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นเจแม่บอกว่าถึงแม้ฉันจะเป็นหนี้เป็นแสนนะแล้วขายจตุคามจนปลดหนี้ได้ฉันก็ไม่เอาเพราะมันไม่ถูกถ้ามันไม่ถูกแล้วเนี่ยถ้ามันผิดแล้วจะทำมันไปทำไม คนมาหาคมาบอกคนมาพูดกับฉันว่าฉันโง่เจมส์กพรากว่าฉันโง่ก็จริงแต่ฉันไม่อดเพราะฉันพอกินขายกาแฟเท่านี้ก็พอกินแล้วเนี่ยนี่คือคนรู้จักพอและคนรู้จักพอเนี่ยนะมันไม่ใช่ง่าย ในยุคปัจจุบันที่เรียกว่ากระแสของเงินตรากระแสรบริโภคนิยมเนี่ยมันเข้ามาแต่สมาชิกว่าในบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยในบรรดาคนในจังหวัดนครเนี่ยเจมแม่เป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดทั้งนั้นมีแค่ร้านกาแฟเล็กๆหรือร้านหนึ่งนะและประเด็นสำคัญเลยเรื่องชีวิตที่ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยชีวิตที่ดีในตอนนี้เนี่ยสิ่งสาคัญเนี่ย ก็คือความรู้จักพอนะขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเราเนี่ยเข้าถึงประโยชน์ชั้นต้นได้อย่างพังพร่องบริบูรณ์เนี่ยก็คือความขยันหมั่นเพียรนะภาษาพระพนะุทธศาสัมนาแต่ว่า จายากนะครัจำง่ายๆคือว่าขยันขยันมันเพียนชีวิตที่ดีต้องประกอบด้วยความขยันมนเพียนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่ค่อยอยากขยันมันเพียนเท่าไหร่กระแสจิตเคราะเป็นปัจจัยนี้งเพราะเราไปเกิดความเชื่อว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้เงินใช่ไตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งกาลังกัดกร่อน สำนึกของชาวพุทธนะเพราะชาวพุทธเนี่ยเรามีเรามีความเชื่อว่าจะทําแล้วก็ตามเนี่ยนะอยากได้อะไรที่ต้องทําด้วยความเขียนบันเพียนนะ <c oughs> เราจําเรื่องมหาชนกได้ไหมพระมหาชนกพระมหาชนกเนี่ยก็คือผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรมาก <c oughs> เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเล แล้วเลือเกิดอักปางต้องไหว้เข้าฟังแล้รพมา่าชลนี้ก็วหายน้ำอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรเจวัน7ดคืนตลอดเวลาที่อยู่ลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยพึ่งความเพียรของตัวเองไม่ได้เรียกร้องอ้อนวอนเทวดาเลยจนกระทั่งมณีแม่คลาเนี่ย ทนอยู่ไม่ได้ต้องลงมาช่วยเ <c oughs> มื่อนี้แม่ครังก็ถามว่าทำไมหมาชนกเนี่ยซึ่งเป็นโพธิสัตว์นะถึงไม่อ่อนหวานเทวดาหมาชนกก็บอกว่าเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยต้องใช้ความเพียรอย่างที่สุดนะก็จะไม่ เ, เสียดายไม่อายในอายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ตอนนี้ปัญหาเรื่องเกิดจากคามรำมเทศเนี่ยเป็นเป็นเป็นปัญหาก็เพราะว่ามันไม่ส่งเสริมความคิดนี้กระแสนีน้ไม่ส่งเสริมให้เราเนี่ยพึ่งความเพียงของตัวเองแต่ว่าเราหวังผลดลบรรดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยก็เลยมีปัญหาอยู่สองอย่างอัที่1คืออย่างที่ธรรมาพูดอยากรวย และอยากรวยมากกว่าคนอื่นแต่ความอยากรวยเนี่ยมันไม่เป็นปัญหามากถ้าหากว่ามีความเผนมันเพี้ยนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอยากก็จริงอยากรวยก็จริงแต่ต้องการทางรัฐซึ่งต่างจากในญี่ญปุ่นจาก ต, าต่างจากในอเมริกาเขาก็มีความอยากรวยเหมือนกันแต่รวยแล้วเนี่ยอยากรวยเนี่ยแล้วเขาเขยนัน ตั้งหนาตั้งตามาหากินแต่ของไทยเราเนี่ยซึ่งอ้างว่าเป็นชาวพุทธเราอยากรวยอยากรวยมากกว่าคนอื่นแต่ว่าเราไปพยายามที่จะหาทางรัดทางรัดนี่มีกี่ทางมี3ทางใใง่าใจ1การพนันหวยหรือว่าหรือว่าเล่นเล่น หวยหรือว่าเล่นการพนันแทงลอตเตอรี่เราเรียกว่าง่ายๆว่าเลี้ยวใบหูสองโกงหรือคอร์รัปชันขโมย 3. หวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าลัทธิหวังผลโดบันดาลตอนนี้นกลัเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเป็นทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการเข้าถึงชีวิตที่ดีเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะมีชีวิตการงานที่ดีได้ถ้าหากว่าคอยหวังผลโดนบันดาลและเราจะไม่มีทางมีความสุขได้ตราบใดที่เรามีความอยากไม่รู้จักพอเพราะว่าอยากจะรวยมากกว่าคนอนื่น ความอยากรวยมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันเกิดจากอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยมส่วนการหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิพลปฏิหารเนี่ยมันเป็นผลมาจากลัทธิหวังผลตนบันดาลสองลัทธิคือบริโภพนิยมและลัทธิหวังผลตนบรรดาตอนนี้มาประจบกันมารวมกันอยู่ในกระแสเจตุคามรามาธิเษกซึ่งก็ทําให้คนไทยเราเนี่ย นอกจากอยากจะรวยมากขึ้นแล้วเนี่ยยังงอมืองอเทา้านะพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจตุคาะมรามาเทศไม่ดีนะแต่หมายความว่าเราต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับจตุคาะมราประเทศให้ถูกต้องอย่างเจ้แมวเนี่ยเจ้แมวก็ห้อยจตุคามแต่ก็ไม่ได้หวังอ้อนวอนอิทธิฤทธิปฏิหารเจ้แมวก็ยังมีความขยันบันเทียนธรรมะกิน แล้วก็ไม่หวังรวยทางรัฐด้วยทํามากินในวิธีทางที่ถูกต้องและถูกธรรมเพราะมีความรู้จักพออาตมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอาตมาคิดว่าสิ่งสาคัญก็คือการที่เราเชื่อในเรื่องความเพียรของตัวและมีความรู้จักพอ รวมไปถึงความพอประมาณในการใช้จ่ายในการใช้สอยพอนี่ไม่ใช่พอในการในการหามาหรือในการสแสวงหาแหอ่งเดียวแต่ต้องพอในการใช้จ่ายในการใช้สอยตรงนี้ก็อีกนะตอนนี้เนี่ยเราถูกเราถูกโฆษณาเพื่อให้เราหาความสุขจากการบริโภค จากการจับจ่ายใช้สอยจากการช้อปปิง้งโดยที่เราไม่ได้ตระหนักเลยว่าการที่เราจับจ่ายใช้สอยมาหรือว่าเที่ยวห้างเที่ยวช้อปปิ้งเนี่ยมันก่อบัญสิงไงแก่ชีวเราบ้างมันทําให้เราเสียเวลาเพียงใดเราเสียเวลาไปกับเรื่องของวัตถุวันๆนหนึ่งนี่ไม่น้อยนะเฉพาะในเรื่องของการเสดการใช้วัตถุเนี่ย วันนึงนี่ไม่น้อยเลยโดยเพราะวัยรุ่นหรือเด็กเนี่ยใช้เวลากับโทรทัศน์1 2สโทรศัพท์มือถือ 3. คอมพิวเตอร์รวมทั้งเกมออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยวันนี้เนี่ยประมาณ 7-8 ชั่วโมงในกรุงเทพนะฮะเด็กในกรุงเทพเป็นเวลาที่เสียแบบการเสพการบริโภคแล้วจะมีเวลาเหลืออยู่กับครอบครัว จะมีเวลาเหลือสำหรับการที่ได้ฟังสิ่งดีๆจากพ่อแม่หรือว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวเวลานั้นก็ไม่มีเป็นชีวิตที่ไปฝากไปติดยึดกับวัตถุจนกระทั่งไม่มีเวลาเหลือที่จะทำสิ่งที่ดีงามที่จะหมายถว่าประโยชน์ขั้น ขั้นสูงในการที่คนเราเนี่ยจะถึงพร้อมด้วยทิฏฐธรรมกถาหรือประโยชน์ปัจจุบันหรือผู้ง่ายคือความสุขขั้นต้นเนี่ยนอกจากจะเขยียนบังเทียนแล้วต้องรู้จักอดออมรู้จักรักษาเหมือนที่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ไม่รู้จักอดออมแล้วก็เรา เชื่อว่าการใช้การเสพจะทำให้เรามีความสุขถ้านะตรงนี้เนี่ยคนยังมองไม่เห็นปัญหาว่าการที่เราเสพมากๆหรือว่าใช้ชีวเปกัการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงในแง่คุณภาพอย่างไงบ้างหรือมีความสุขน้อยลงอย่างไงบ้างหนึ่งเสียเวลาสองเสียพลังงานนะสามเสียใจ หรือใจเสียก็คอยกังวลคอยวิตกอยู่กับเรื่องวัตถุมีมากก็ทุกนะถ้าคุณมีลองเท้าอยู่สามร้อยคู่เนี่ยเวลาจะไปออกงานนี่เครียดนะฮะว่าจะใส่คู่ไหนดีนะมีสร้อยทองสร้อยเพชรเนี่ยเป็นสิเนี่ยทุกนะไม่รู้ว่าจะ ใช้สอยสายสอยไหนดีเวลาออกงานเดี๋ยวนี้คนเรือๆก็มีความทุกข์แบบนี้ยังไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ว่ารถถูกเฉียวหรือว่ารถหายนะหรือว่ารถของเราเนี่ยมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ทันสมัยเท่ากับรถของเพื่อนนะพวกที่เป็นความทุกจากการเสพการบริโภคที่ที่ไม่รู้จักประมาณนะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรา หัดเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีชีวิตพอประมาณชีวิเราจะโปรง่งชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะมีเวลาและมีพลังงานสำหรับการทำสิ่งดีๆที่ไม่ใช่แค่ดีเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่ดีกว่าซึ่งอาตอมาจะได้กล่าวต่อไปตรงนี้เนี่ยนะการที่เราสามารถที่จะ ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายเนี่ยมันเป็นหัวใจอันหนึ่งของการมีชีวิตที่ดีหรือมีชีวิตที่มีความสุขตามประษาโลกโลกนะมีคนคนหนึ่งนะในประเทศอเมริกาจะเป็นพนักงานจะเป็นเจ้าที่ในเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับระดับประเทศในอเมริกาบ้านของของคนคนนี้นะ มีเข้าของอยู่ประมาณ600ชิ้นฟังดูเยอะนะแต่ว่าหกรชิ้นนี้รวมถึงช้อนช้อนกาแ ฟ, แฟนหนึ่ ง, งอันก็ถือว่า1ชิ้นแล้วกามีมีคติในการตระเินช่วยอย่างนี้ก็คือว่าถ้าจะไปซื้อของอะไรมาใหม่หรือรับของขวัญใครมาถ้าเอาเข้าบ้านเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องเอาเอาเข้ามา2ชิ้นก็ต้องเอาออกไป2ชิ้น เอาไปแจกให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแก จ, จะซื้อของตละลยานเนี่ยแกจะต้องใคร่ควรมากเพราะถ้าซื้อของเข้าบ้านหนึ่งชิ้นต้องเอาออกมา1ชิ้นถ้าไม่จำเป็นไม่ซื้อเข้าไปแม้แต่จะรับของขครพรงเพลือก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะรับเพราะถ้ารับไปแล้วหมายความว่ารับเข้าบ้านหนึ่งชิ้นก็ต้อง อ, ออกมาหนึ่งชิ้นเรากว่า นอกจากบ้านนี่จะโล่งแล้วนะมีเวลามีพื้นที่ให้กับคนในครอบครัวมาทํากิจกรรมด้วยกันแล้วเนะี่ยยังสามารถที่จะมีเวลาทําอะไรต่ออะไรมากมายชีวิตโปร่งบางมากนะบางทีสมาชิกว่ า, า, า, ปปาลอยต้องในยุคปัจจุบันลอยต้องมีมีวินัยแบบนี้ด้วยเนะพื่อที่จะจะทำให้ชีวิงเราเนี่ยไม่ลุกไม่ลกลุ่มหลังด้วยเท่าของซึ่งตอนนี้มาลุกลานไปจนกระทั่งถึงในห้องนอนคือไม่มีที่เก็บแล้วคนระับ เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยแม้กระทั่งบนเตียงเนี่ยก็ต้องแต่ไม้เข้าของส่วนส่วนตัวเนี่ยมานอนข้างล่างอันนี้ก็มีนะฮะวันนี้เนี่ยทำไมทําไมอยากอยากย้ำว่าการที่เรามีชื่ออย่างเรียบง่ายเนี่ยมันทาให้เรามีเวลามีพลังงานในการที่จะทําหรือบําเพ็ญตนให้เข้าถึงชีวิตที่ดีกว่าเมื่อกี้อาจาพูดมาเรื่องชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเลยทา่าน菩萨สารบอกว่า มันยังมีชีวิต ท, ที่ดีกว่าชีวิต ท, ที่ดีกว่าคืออะคือชีวิต ท, ที่ประกอบไปด้วยนะถ้าเอาตามตามตามตา ม, ตามพระไตรปิฎกนะัคือประกอบด้วย1ศรัทธา2ศีล ส, ส, สาจารกะ4ปัญญาผู้นั้คือว่าเป็นชีวิต ท, ที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจเป็นชีวิต ท, ที่ เปี่ยนไปด้วยบุญและกุศลนะชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยความพัฒน์พร้อมทางวัตถุภายนอกนะเป็นเรื่องด้านนอกเช่นเรื่องเงินเรื่องอาชีพการงานเรื่องสุขภาพเรื่องมิตรเรื่องครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางางนอกรวมทั้งเป็นเรื่องทางกายหรือวัตถุแต่ชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยคือชีวิตที่พั่งพร้อมในเรื่องของจิตใจเป็นชีวิตซึ่ง มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจเป็นช่วิที่มีความสุขกับการทำความดีมีความสุขกับการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นซึ่งตรงนี้จะทำได้หากว่าเรามีชีวิตที่เรียบง่ายเพราะเมื่อเรามีชีวิตที่เรียบง่ายช่วยเราไม่เสียเวลาไปกับเรื่องวัตถุในการหาเงินในเรื่องการเสพการใช้การบริโภคเราก็จะมีเวลาสําหรับการทำสิ่งดีๆ ในทางจิตใจให้กั่ตัวเองเช่นทำสมาธิภาวนาหรือมีเวลาในการทำประโยชน์กับส่วนรวมเช่นไปทำประโยชน์ให้กับวัดทำประโยชน์ให้แก่ให้กับชุมชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจซึ่งจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขอีกขั้นหนึ่งเป็นความสุขที่อยู่เหนือวัตถุ ความสุขชั้นต้นหรือประโยชน์ชั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอิ่วัตถุใช่ไหมแต่ความสุขชั้นที่เราเรียกว่าสามประยิกกัตถะหรือว่าประโยชน์ที่เลยหรือที่อยู่ชั้นสูงกว่ไปเนี่ยที่จะนําไปสู่ชีวิที่ดีกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงความสุขที่อยู่ เหนอหือหรือไม่อิงวัตถุที่เราเรียกว่านิรา ม, มิสุมันมีความสุขอยู่2อ อ, อย่างใหญ่ๆนะคืออามิสุขและก็ น, นิร า, ามิสุอามิสุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นความสุขจากวัตถุความสุขจากการที่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคซึ่งมันเป็นเรื่องของประโยชน์ชั้นต้นหรือความสุขชั้นต้นแต่เร า, าต้องควรจะเข้าถึงความสุขขั้นที่เลย จากความสุขชั้นต้นหรือว่าความสุขชั้นสูงเทีวว่ น, นิราภิสุขความสุขตรงนี้จําเป็นยังไงมีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นตัวรองรับความสุขทางวัตถุยกตัวอย่างฮะคือคนเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราจิตใจเราไม่สบายเนี่ยจิตใจเรากังวลเนี่ยถึงแม้เรากินอาหารที่อร่อยเราก็ไม่มีความสุขถึงแม้เราอยู่ห้องแอร์เราก็ไม่มีความสุขถ้าใจเรายังเศร้าใจเรายังโศกเรายังโกรธอยู่ คนรวยจำนวนมากเนี่ยมีสิ่งพังพร้อมรอบตัวแต่ว่าพอพอทุกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ร้อนเป็นไฟหลายคนเนี่ยมีความทุกข์มากบนสีแยกทั้ท ง, ทงทั้งที่รถก็ติดแอร์ใช่แต่ทำไมไม่มีความสุขเลยพลเพราะรถมันติดนะ พอรถติดเนี่ยเกิดความกังวลรถแอร์เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ให้มีความเย็นขึ้นเลยงี่นคณเราถ้ามีความสุขทางใจเป็นพื้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้ความสุขชั้นต้นเนี่ยความสุขจากวัตถุเนี่ยมันอํานวยความสุขให้แก่เรามากขึ้นแต่ถ้าหากว่าใจเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่ไอ้ความสุขทางโลกหรือความสุขจากวัตถุเนี่ยมันก็กแทบจะไม่มีคุณค่าเลย ดนั้นถ้าเราต้องการอยากจะให้ความสุขทางวัตถุเนี่ยมันอำนอวยอื้ประโยชน์ให้กับเรามากๆเนี่ยเราต้องรู้จักทําใจให้เป็นสุขซึ่งจะเข้าถึงได้ก็โดยการที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจอันนี้แหละคือชีวิตที่ดีกว่ามันไม่ใช่แค่ดีเฉยๆแต่มันดีกว่าเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้น นอกจากมันจะเข้ามาเสริมความสุขจากวัตถุทำให้เกิดความสุขมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยมันยังมาทดแทนความสุขทางวัตถุได้ด้วยหมายความว่าอะไรหม า, ว, ามว่าถึงแม้จะมีชีวิตที่ไม่ได้รํารวยอะไรไม่ได้มีเข้าของอะไรมากมายแต่มีความสุขมากกว่าทำไมชีวิตที่เรียบ ง, ง่ายถึงมีความสุข เพราะว่าชือที่งานนั้นสามารถที่จะอำนวยให้เกิดความสุขในทางจิตใจได้ง่ายกว่าทำไมพระเนี่ยท่านมีปัปจจัยหรือบริขารเนี่ยเพียงไม่กี่อยา่างทำไมท่านถึงมีความสุขเมาคารว่านะเพราะอะเพราะว่าท่านมีหรือท่านเข้าถึงความสุขที่วันนร้ามิสุขหรือว่าท่านเข้าถึงความสุข ที่เลยจากวัตถคุคือความสงมบและความสุขในจิตใจความสุขและความสงบในจิตใจเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของคนเราเนี่ยจนกระทาั่งพึงพอใจกับชีวิตที่เรียกง่ายได้นะจนกระทาั่งอาจจะถึงขั้นว่าแม้ว่า มีเงินไม่มากแม้สุขภาพจะไม่ดีแต่ก็ยังมีความสุขได้เราอาจจะเคยได้ยินคนบางคนที่บอกว่านะโชคดีที่เป็นมะเร็งหรือว่าโชคดีที่ติด h i ชีมีคนที่พูดอย่างนี้จริงๆนะสุขภาพไม่ดีแต่ทำไมถึงมีความสุขถึงพูดประโยค น, นี้ได้ ก็พอเขาสามารถจะเข้าถึงความสุขทางจิตใจเมื่อเข้าถึงความสุขทางจิตใจแล้วเนี่ยไอเรื่องวัตถุเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องรองเรื่องสุขภาพก็กลายเป็นเรื่องรองตรงนี้เองพระเจ้าทรงจัดว่ามันเป็นมันเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขทางวัตถุและนั่นแหละคือสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงอำนวยให้เกิดชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่แค่ชีวิตที่ดีเฉยๆแต่เป็นชีวิตที่ดีกว่า และความสุขตรงนี้แหละที่มันจะเป็นพู่นต้านทานให้เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับความขันผวนป่วนไปในชีวิตได้คนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะรวยมากแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันนึงที่ต้องประสบกับความสูญเสียในเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะมีสุขภาพดีแค่ไหนก็ต้องมีสักวันที่จะต้องล้มป่วย ไม่ว่าจะมีงานการที่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ต้องมีสักวันหนึ่งซึ่งประสบกับอุปสรรคความล้มเหลวแม้ว่าจะแะอบล้อมไปด้วยมิตรที่ดีครอบครัวที่ดีสักวันหนึ่งก็ จ, จะประสบกับความไม่คุ้นใจกันความวิวาดบาดมาง ก, กันหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นคือว่าต้องประส บ, บความพัดพรากสูญเสีย นี่คือความเป็นจริงของชีวิตนะไม่ว่าคุณจะพั่งพร้อมบริบูรณ์ในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของสุขภาพในเรื่องครอบครัวแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะต้องมีสักวันที่เราจะต้องประสบความไม่สมหวังประสบความขันผวนในเรื่องเหล่านี้และลองดูนะฮะคนเราเนี่ย จะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันมีอยู่สเรื่องด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือเรื่องกายกายคือใช่ความเจ็บป่วยหรือว่าสวยไม่สวยผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์ได้ใช่ไหมน้ำหนักมากไปก็ทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่แค่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะบางคนไม่เจ็บไม่ป่วยเลยแต่ว่าผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยนี่ักลักไร้ดานี่ก็ทุกข์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกนะเรื่องกายสอง เรื่องวัตถุวัตถุคือเรื่องทรัพสมบัตินะเ ร, เรื่องเรื่องข้าของเครื่องใช้เรื่องเงินนะพูดง่ายๆสเรื่องการงานอาจจะรวมถงการเรียนด้วยนะงานไม่สำเร็จงานประสบความล้มเหลวหรือว่าอาจจะรวมถึงว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าของเรานะหรือว่าเพื่อนเขา ได้ตำแหน่งสูงกันเราก็อาจจะรุนค่อนนี้ด้วย 4. เรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับคนรักกับครอบครัวกับมิสหายปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวินคนเราเนี่ยไอ้4เรื่องเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามใจเราได้บางครั้ง ก็เป็นไปตามใจหวังแต่บางครั้งก็ไม่เป็นไปตามใจหวังความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดแล้วเราจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรคำตอบคือว่าเราไม่ทุกข์ได้ถ้าว่าเราสามารถที่จะรักษาใจให้มีสติให้มีสมาธิหรือว่าให้มีปัญญา ชีวิตที่ดีกว่าเป็นชีวิตที่ต้องขยันขันแข็งทํางานทําการดูแลรัษาสุภาพอันนี้ตะมาเรียกว่าทํากิจต้องทํากิตด้วยความขยงนขันแข็งไม่ประมาทแต่ชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยหัวใจหมายคือว่าทํำจิตหรือทําใจ คนที่เก่งในเรื่องการทำกิตการงานเนี่ยชีวิตก็จะเจริญชีวิตก็จะดีแต่อาจจะไม่ดีกว่าถ้าเขาไม่รู้จักทำจิตหรือทำใจทำจิตให้มีสมาธิทำจิตให้เข้าถึงความสงบทำจิตให้เกิดปัญญาเพราะการทำจิตเนี่ยไม่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนแปรในชีวิตที่มากระทบกับเรื่องอาชีพการงานที่มากระทบกับ เรื่องร่างกายสุขภาพที่มากระทบกับคนรักหรือครอบครัวของเราที่มากระทบกับงานการของเราไม่ว่าเก่งแค่ไหนไม่มีทางที่จะหนีแรงกระทบกระแทก4อย่างนี้ได้แต่ถ้าเราพุทจักทําจิตให้ดีนะครคือมีธรรมะมาเป็นเครื่องรักษาใจทําความดีรักษาศีล น, นะฮะเจริญสติ ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นต้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเวลาเงินหายคนธรรมดาเงินหายก็ทุกข์เข้าของเงินทรัพย์สินหายก็ทุกข์แต่ถ้าหากว่ารู้จักทำใจให้เป็นมันก็ไม่ทุกข์ับ อย่างง่ายๆอย่างต่าๆคือเอ อ, อยังดีนะที่ไม่หายมากกว่า น, นี้หายพันบาทยังดีที่ไม่หายหมื่นบาทรถถูกเฉี่ยวดีนะที่มันดีดีที่รถเนี่ย ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่ถูกโขโมยไปนะหรือหัดชื่นชมสิ่งที่มีคือคนเราเนี่ยมักจะทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีนะ มักจะทุกข์กับสิ่งที่เราเสียไปแต่เราลืมที่จะมาชื่นชมกับสิ่งที่เรามีเงินเราหายไปพันหนึ่งแต่เรายังมีอยู่ในกระเปา๋าเป็นหมื่นอยู่ในธนาคารเป็นแสนหรือเป็นล้านเราจะทุกข์ไปทําไมฮะเพราะสิ่งที่หายเนี่ยมันน้อยกว่าสิมันน้อยกว่า ส, นนสิ่งที่เรายังมีอยู่แล้วเราจะไปทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่น้อยทําไมในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่นี่ไป ม, มากกว่า ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยชื่นชมในสิ่งที่เรามีเพราะเราไปอยู่กับอนาคตอดีตมากไปบางคนเสียเสียคนลกอาจจะเสียแม่เสียพ่อหรือเสียรูปไปเศร้าโศกเสียใจแต่ลืมไปนะว่าเราจะมีอีกต้องหลายคน ที่เราสามารถที่จะให้ความรักให้ความเอาใจใส่พได้หลายคนรู้สึกผิดนะที่ว่าไม่ได้มีเวลาดูแลแม่ก็แต่เศร้าโศกเสียใจจนลืมดูแลพ่อซึ่งยังอยู่นะฮะเราไปอยู่กันดีทำไมเป็นอย่างนี้เยอะนะที่ลูกลูกตายเข้เสียใจคิดถึงลูกไม่มีเวลาดูแลลูกเลย แต่ลืมดูแลลูกอีกสองสองสาคนที่ยังอยู่กับเราเราไปอยู่กับดิจิลืมมองปัจจุบันนะและความทุกข์คนเราเนี่ยเป็นเพราะเหตุ น, นี้คือเราไปเสียเราไปอยู่กับเราไปเราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราเสียไปแต่เราลืมให้คุณค่าให้ความสําคัญหรือชื่นชมในสิ่งที่เรายังมีอยู่ถ้าเราทํานี้ได้เนี่ยไอ้เงินพันไม่มีความหมายนะเพราะาเรายังมีเงินแสนเงินล้านอยู่ในกระเป๋า นะ ห, หรือเราอา จ, จมอนอย่างงีก็ได้ว่าโ อ, อ้เขามาสอนธรรมะแกเรานะว่าความพัดพ้าสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่ทุกข์ครับเพราะว่าถึงแม้เป็นโรคกระเพาะก็ยังดีว่าดีนะที่ไม่เป็นโรคมะเร็งอ่อาจารเคยพูดที่นี่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งมะเร็งสมอง แกยิมแย้มแจ่มใสฮะ ค, คนไปถามแกบอว่าเป็นดีที่แกไม่เป็นมะเร็งบดลูกเพราะว่าญาติเป็นมะเร็งบนรูปวดมากเลยนี่เด็กอายุสิบสี่แกพูดนะฮะเห็นไหมคือความเจ็บความปวดบางทีก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรา ม, มีมีธรรมะประกอบอยู่ในใจคือรู้จักมองรู้จักรู้จักคิดอย่างแยกกายที่เรามีอยู่ในสมรจิการอันนี้โลกมีปัญญา ความเจ็บความป่วยความความแก่ชราก็จะทําให้เราทุกไม่ได้เพราะเราก็ยังรู้สึกดีว่าเออเราก็ยังโชคดีนะที่ยังมีโอกาสได้แก่เพราะคนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้แก่เขาตายก็ตายก่อนทั้งทั้งหลายที่ที่มายุ่มากนี่โชคดีนะฮะอย่าไปเอาแต่เสียใจอย่าไปกังวลนะ อาตมาบางทีอาจจะยังไม่มีโอกาสได้แก่ท่านเลยก็ได้เพราะอาจจะไปก่อนก็ได้ฉะนั้นแล้วเหตุการก็มาตื่นว่าเออความชั่วันนึงเราก็ต้องจากไปนะเราเตรียมอะไรเป็นสเสบียงหรื อ, อยังเราสามารถใช้ทุกเหตุการณ์มาเป็นเครื่องสอนธรรมมาเป็นครูสอนศัจธ ร, รําให้แก่เราได้ในเรื่องของความไม่เที่ยของชีวิตเพื่อที่เราจะได้มา ปรับตัวเตียนใจให้ปล่อยวางตรงนี้แหละที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดหรือเข้าถึงประโยชน์สุดที่ถือว่าเลิเลินทางพระโลกปามัตถะนะความสุขเนี่ยมันมีสามขั้นนะสุขสุขกว่าแล้วก็สุขสูงสุด ดีดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนั้นถ้าเรารู้จักก้าวข้ามจากชีวิตที่ดีไปสู่ชีวิตที่ดีกว่ารู้จักพัฒนาตนจากความสุขโลกโลกความสุขชั้นต้นไปสู่ความสุขขั้นสูงคือความสุขจากใจที่สงบความสุขจากการที่ได้ทําความดีความสุขจากใจที่มีสติมีสมาธิ มีปัญญาเราก็จะสามารถก้าวรือขยับขึ้นมาสู่ความสุขขั้นสูงสุดที่เรียกาปรมาภิ์นั่นก็คือการที่เห็นความจริงของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมันผันผวนแปรปวนแล้วก็ไม่ยึดติด ก, กับมันไม่ยึดว่าไม่ยึดอะไร ต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราความทุกคนเราอตรงนี้ฮะก็คือว่าเราไปยึดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราเราลืมเราหลงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามใจเราพู่ก็คือมันมีความยึดติดอยู่ แต่ถ้าเราเห็นความจริงของชีวว่ามันไม่มีอะไรที่จะอยู่ในอำ น, นาจของเราได้เลยและที่สำรับก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ลูกแม้แต่ทรัพสมบัติแม้แต่ร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ยึดติด หรืออยากให้มันเป็นไปตามใจปรารถนาของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมันพันผวนแปรล่วนไปเราก็ไม่ทุกข์ <c oughs> เป็นเพราะเรายึดติดว่าร่างกายนี่มันต้องเที่ยงใช่ไมเราถุงทุกข์เวลามันป่วยเวลาเราถึทุกข์เวลามั น, มนแก่ชราไป <c oughs> เป็นเพราะเราไปยึดลึกๆใช่ไหมว่าข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สมบัติรถดนบ้านเนี่ยมันต้องอยู่กับเราไปจนตาย หรือมันต้องดูในสภาพนี้เป็นอมตะที่ยงแท้นี้หลันดอนเราถึงทุกเวลามันหายไปเวลามันเสือ่อมเวลามันเสียไปตรงนี้เนี่ยมันคือรากเหง้าของความทุกข์แต่ถ้าว่าเราสามารถที่จะปล่อยสามารถที่จะวางมันได้เมื่อใดก็ตามที่มันผันว น, วนป่วน แ, แพร่แก่ชราพัดพรากหุ่เสีย เราก็ยังเป็นปกติอยู่ได้ในทางพระเราเรียกว่าไอ้การเวลาเราไปยึดเนี่ยเราไปยึดว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราอาจารย์พุทธาใช้คำว่าตัวกูของกูเนี่ยคือการไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราลองสังเกตดูนะฮะไอ้ที่เราทุกข์กเนี่ยเป็นเพราะว่าล่าเงาของมันคือการที่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไว้ แต่พอมันไม่เป็นไปตามใจเราเราเลยทุกข์ไอการยึดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นตัวรังอันของความทุกข์เลยมันเราทุกข์เพราะมันทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นการสวนทางความเป็นจริงและที่สำคัญคือว่าอะไรก็ตามที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะไปรปมาเนี่ยเราอะไปกลับเป็นของมัน เงินเป็นของเราแหวนเพชรเป็นของเราแต่ทันทีที่เราไปคิดแบบนั้นนะเราเป็นของมันทันทีเราเดินไปในซอยเปี่ยวโจรมจี้เราก็สู้นะฮะเพราะเราต้องการรักษามันเอาไว้เรายอมตายเพื่อมันนะยอมตายเพื่อเงินยอมตายเพื่อทรัพย์สินเงินทองนี่แหละที่จะบอกว่าเราเป็นของมันไม่ใช่มันเป็นของเรา เราอยอมตายเพื่อมันเราอยอมตายเพื่อทรัพย์สมบัติเราอยอมตายเพื่อสิ่งเหล่านี้เพียงแค่เรา ถ, ถูกเฉียว่านอนไม่หลับแล้วแล้วเราเป็นของมันมันเป็นของเรางัวระวังดีนะมันหลอกเรานี่ะอะไรก็ตามที่เราทันทีที่เราไปยึดมันเป็นของเราเนี่ยเรากลายนของมันทันทีคือเป็นทาสมันชีวิตเราความสุขเราไปอยู่ภายใต้การบงการของมัน ถ้ามันเสียไปเราทุกข์ถ้ามันมีรอยขูดขวนขิดขวนไปเราทุกข์อันนี้คือเราเป็นของมันท่านถ้าเราไม่อยากทุกข์นะอย่าไปยึดอย่าไปยึดเราเป็นของเรานะแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ตามนะมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆฟังดูเหมือนยากนะแต่ตมาเนี่ย อธิบายอย่างอธิบายอย่างนี้อธิบายด้วยเรื่องของนะเด็กๆนะวันก่อนไปไปไปฟังอาจารย์บระโมดนะอาจา ร, ระโมดท่านเล่าถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กเด็กนี่เขาก็มีการมีเล่นเกมเล่นเกมคือการเล่นไล่จับกันใช่ไหมจับตัวได้ก็แพ้เราเคยเล่นใช่ไหมถ้าจับตัวได้ก็แพ้นะอาจารย์บร์โมดก็ไปจับ จับเพื่อนมาเพื่อนก็เพื่อนก็แพ้ถึงเวลาอาจารย์ป้อมพ่อก็เป็นฝ่ายหนีเด็กเพื่อนก็มาคอยจับเพื่อนจับเอวได้อาจารย์ป้อมพ่อบอกว่าไม่ได้จับตัวนี่นแค่จับเอวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังหนีต่อไปได้เพื่อนก็วิ่งไล่ตามเพื่อนจับแขนเพื่อนก็บอกจับตัวได้แล้วแต่าป้อมพ่อบอกว่าไม่ใช่ตัวนะนี่จับแขนนะเพื่อนวิ่งไป วิ่งไล่กาอีกคว้าขาได้อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนี่ไม่ได้จับตัวนี่จับขามันต้องปล่อยคือจับเท่าไหร่ก็จับตัวไม่ได้สักทีนะเพราะมันมีแต่มันไม่มีตัวให้จับมันมีแต่แขนขาใช่ั้ย <c oughs> ลูกของเพื่อตมาคนหนึ่งนะแกอยู่ปห้า วันหนึงเนี่ยแกก็เห็นเด็กรุ่นน้องเนี่ยผู้ชายเนี่ยไปรังแกผู้หญิงลังแกเพื่อนผู้หญิงเนี่ยปอสี่ลูกของเพื่อนปอห้าชุดทเต้นเต้นนี่ก็ทนไม่ไหวก็เลยฟาดหัวเด็กเกรเรคนนั้นเสร็จแล้วก็เลยรู้สึกผิดขึ้นมาเจอหน้าแม่เนี่ยคือลูกแม่ลูกเนี่ยเขาก็จะมีกติกาว่าถ้ามีเรื่องอะไรต้องบอกแม่ พอเจอหน้าแม่แกพวกนี้อทำหน้าไม่ค่อยสู้ดีแม่ก็จับได้ก็เลยถามว่าเต้นบอกมานะวันนี้หนูไปทำอะไรมาลูกไปทำอะไรมาเต้นบอกยังไงฮะเต้นบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้มือข้างเนี่ทำไมจะมไปสู้ตีเด็กได้เ <c oughs> ต้นไม่ได้บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าที่ไม่น่าเชื่อหนูไปตีเด็กนะแต่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าไอ้มือข้างนี่ไปตีเด็กได้ คือคนธรรมดานี่ก็จะบอกว่าเว้ยไม่น่าเชื่อว่าฉันเอามือไปตีเด็กนะแต่เต้นบอกไม่น่าเชื่อเอามือแค้นไปตีเด็กไอ้ที่ทำเนี่ยคือมือไม่ใช่ตัวฉันใช่ไหมเด็กเขาก็ไปอุบายในการที่จะเอาตัวออกห่างไม่ต้องรับผิดชอบถือว่าเป็นเรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของฉันใช่ไหมนี่เป็นอุบายของเด็กแต่ประมาณนี่สอนทำนะเวลาเราเจ็บเวลาเราปวดที่มือนี่เคยคิดบ้างหมบอกว่า ไอ้มือมันเจ็บไม่ใช่ชันเจ็บหรอใช่ไหม<ชอบ>เด็กคิดได้นะไอ้มือมันตีไม่ได้มือตีเด็กไม่ใช่ชันตีเด็กเราลองคิดแบบนี้สังว่าไอ้ตีเนี่ยมือมันไอ้ที่เจ็บเนี่ยมือมันเจ็บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ัชนเจ็บไอ้ที่ปวดในท้องอ่ะท้องมันปวดไม่ใช่ันันปวดนี่เราธรรมะเลยนะคือการมองอะไรเนี่ยไม่ออกตัวเอาปวดไปเป็นเจ้าของ ท้องเจ็บไม่ใช่ฉันเจ็บนะแล้วถ้าเรามองแบบนี้ได้เนี่ยเราจะเราจะทุกข์น้อยลงเพราะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าไปคิดว่าฉันเจ็บฉันเจ็บรวมทั้งเวลาทุกเรื่องอื่นด้วยนะเช่นเวลาเช่นเวลามีคนมาตำหนิมีคนมาต่อว่าเนี่ยโวโกรธโมโหเศร้าเสียใจที่จริงมันไม่ไอทไอทไอโกรธที่เศร้าที่เสียใจไม่ใช่เรานะฮะ อะไรโกรธอะไรเศร้าอะไรเสียใจทราบไหกิเลสฮะกิเลสมันกิเลสมันโกรธมันเศร้ามันเสียใจกิเลสตัวนี้เราเลือกมานะความถ with ืกตัวถืตนเวลาถูกตําหนิถูกวิจารณ์เนี่ยไอ้ตัวมานะมันจะโกรธเพราะมานะเนี่ยมันต้องการโชว์มันเก่งชั้นแน่เวลาถูกตําหนิเวลาถูกหรือทำอะไรขายหน้าเนี่ยตัวมนะเนี่ยคือกิเลสตัวนี้มันจะโกรธมันจะเศร้ามันจะ เสียหน้าแต่เราอะไปยึดเอาความกลัวความเศร้ามาเป็นของมันเป็นของเรานี่เราโงดเลยฉลาดนะทุกวันนี้เนี่ยเราไปเอาความทุกข์ของอะไรต่ออะไรมาเป็นของเราเจอนะเพราะความยึดมั่นถือมันก็เป็นเราเป็นของเรานี่แหละไอ้มือนี่ก็ไม่ใช่เรานิ้วก็ไม่ใช่เราจาำพุทธะบอกว่าเวลาเวลามีดบาดเนี่ยถ้าไปคิดว่ามีดบาดบาดฉันเนี่ยเจ็บนะ แต่ถ้ามีบาดนิ้วนี่นนเจ็บน้อยลงเวลาเครียดเนี่ยเวลาเครียดเวลาเศร้าเนี่ยนะเห็นความเศร้าเกิดขึ้นแต่ว่าฉันไม่ใช่เศร้าฉันไม่ใช่ผู้เศร้าตรงนี้แหละับคือหัวใจนะของการที่เราจะเอาชนะความทุกข์เราไม่สามารถที่จะ เงัป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทุกระแทกเราได้จะเป็นสิ่งตาง ม, มากระทุกระแทกเราตลอดเวลาแต่เราต้องระวังและสมาธิใหญ่สรุปนะฮะคือว่าเนี่ยคือความสุขขั้นสูงสุดเนี่ยคือ ช, ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่เข้าถึงปรมาาัาถะที่ทั้ทงพระรวนิพพานนิพพานคือตรงนี้นะ คือละวางจากความยึดถือในตัวตนได้งั้นทำไมอำไมคิดว่าเนี่ยขอให้เราเนี่ยได้ลองพยายามที่จะนำํำพาชีวิตของเราเให้เข้าไปถึงชีวิตที่ไม่ใช่แค่ดีเฉยแต่ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดอย่าพอใจเพียงแค่ความสุขทางโลกท้งวัตถุแต่เพราะมันเป็นแค่ความสุขเฉยๆเราควรจะเข้าให้ถึงความสุขที่ดีกว่าและความสุขที่ดีที่สุดตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนี่จตุคานเราเท่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะว่า พาเราไปแค่สิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ดีกว่าหรือดีที่สุดนั้นตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็คิดว่าควยต้องยุติเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกท่านนุจรสามารถจะสามารถเข้าถึงชีวิตที่ดีที่สุดได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นะก็ขอจบกรรมนแต่เพียงเท่านี้